บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปดังได้กล่าวมาอยู่เสมอว่าธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นแม้จะทรงแสดงจำแนกปริยายออกไปโดยนิยตต่างๆอย่างไรก็ตาม แต่เมื่อกราวโดยสรุปแล้วธรรมะเหล่านั้นก็จะเกาะกลุ่มเข้ามาอยู่ในอริยสัจทั้งสี่ประการทั้งสิ้นในด้านของพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงนั้นจึงมีอยู่สลักษณะด้วยกันลักษณะแรกจนเรียกว่าอนาเทศนาคือเป็นพระธรรมเทศนาที่แสดงบทบัญญัต ข้อปฏิบัติเพื่อควบคุมพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาและทางใจข้อปฏิบัติในชั้นนี้ถือว่าเป็นข้อห้ามและข้อควรประพฤติโดยมากข้อควรประพฤติเป็นการเสนอแนะเพื่อให้บุคคลเพียรพยายามปฏิบัติให้ได้ แต่ข้อที่ห้ามไว้นั้นเป็นข้อที่จะต้องประพฤติปฏิบัติพระธรรมเทศนาแนวนี้จึงมีเฉพาะแก่คนที่เป็นพุทธบริษัทคือปฏิญาณตนเข้ามานับถือพระพุทธศาสนาเท่านั้นจึงอยู่ในเงื่อนไขของพระธรรมเทศนาส่วนนี้กลุ่มหนึ่งเรียกว่าโวหารเทศนา เป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงหลากหลายด้วยโวหารต่างๆเพื่อเหมาะสมแก่จริตอัธยาศัยของบุคคลซึ่งในด้านจริตก็ดีอัธยาศัยก็ดีพื้นฐานด้านต่างๆของบุคคลทั้งหลายก็ดีนั่นมีความแตกต่างกันอยู่หากจะมีหลักปฏิบัติคือสอนอริยสัจโดยวิธีเดียว โอกาสที่คนจะดำเนินการประพฤติปฏิบัติของตนให้สัมผัสผลตามที่ทรงแสดงไว้ก็จะเป็นไปได้เฉพาะกลุ่มเดียวเท่านั้นเองดังนั้นจึงใช้หลักของโวหารเทศนาที่จะดึงคนจากจุดต่างๆให้สามารถเดินมาในเส้นทางที่ตนสามารถเดินได้แต่จะมีจุดบรรจบเมื่อมาถึงขั้นของศีลสมาธิและปัญญา อีกส่วนหนึ่งเรียกว่ายถาปราธศาสตร์คือเป็นการชี้แจงถึงความจริงโดยสภาพที่เป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นซึ่งตามปกติแล้วจะพบว่าจิตใจของบุคคล น, นั้นถูกย้อมด้วยอำนาจของกิเลสเมื่อ ม, มองสิ่งต่างๆมักจะมองในลักษณะของสวมแว่นสี้วขึ้นอยู่กับสีแว่นเป็นอย่างไร ก็จะมองเห็นสิ่งนั้นๆตามไปด้วยจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันยามใดที่ถูกกิเลสสายใดครอบงาใจอยู่ก็จะมองอารมณ์มองบุคคลในขณะนั้นตามการปรุงแต่งของกิเลส ท, ที่บังเกิดขึ้นแต่พระพุทธศาสนาได้แหวกกิเลสออกไป ที่แจงถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นว่าโดยสภาพที่แท้จริงแล้วเป็นอย่างไรเพื่อบุคคลเข้าถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นจะได้ปฏิบัติให้เหมาะให้ควรแก่สิ่งที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ดังนั้นปริยายแห่งธาตที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลําดับนั้นผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะจะพบว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว ก็คือเป็นกลุ่มของธาตุอันเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติธรรมดาที่บุคคลไปยึดถือตามรูปแบบซึ่งปรากฏอยู่ในขณะนั้นหรือตามความรู้ความเข้าใจของตนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นเรื่องของเชื้อความดีและความชั่วที่มีอยู่ภายในจิตของตน ซึ่งธาตุกลุ่มแรกนั้นทรงสอนให้รู้ในฐานะเป็นธาตุเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วยกฎของธรรมชาติส่วนธาตุอีกคู่หนึ่งนั้นก็ให้รู้โดยสภาพของความเป็นโทษแห่งธาตุที่เป็นอกุศลและจะต้องเป็นความรู้ที่เข้าถึงจิตใจ จ, จริงๆ คือเมื่อมองเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นโทษแล้วก็เพียรพยายามสํารวมระมัดระวังละบัรเทาไปตามกําลังความสามารถของตนถ้าส่วนหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของกุศลและธรรมทั้งหลายซึ่งทรงสอนให้บุคคลเพียรพยายามเพิ่มพูนให้มากขึ้นแต่ในที่สุดจะท <c> ร <oughs> งเข้าไปสรุปไว้ในตอนสุดท้าย เป็นเพียงสองาธาตุเท่านั้นคือสังคตะาธาตุกับอสังคตาธาตุสังคตะก็คือสังขารมีเครื่องปรุงแต่งหมายความว่ า, าธาตุเหล่านั้นจะเป็นกลุ่มใดก็ตามไม่ได้มีอยู่โดดเดี่ยวตามลาพังแต่ก็มีปัจจัยเข้ามาประกอบเป็นนั้นมากส่วนาธาตุหนึ่งนั้นได้แก่อสังคตทาธาตุ คือไม่มีอะไรเข้าปรุงแต่งเลยเป็นสภาพที่ยั่งยืนคงที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงธาตุนี้บางครั้งก็เรียกว่า น, นิพานนะธาตเมื่อจัดออกเป็นกลุ่มได้อย่างนี้ก็จะพบว่าในส่วนของปรากฏการณ์ธรรมธรรมชาตินั้นผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมก็มองแนวเดียวกับทุกสัตว ส่วนกลุ่มของเชื้อธาตุที่เป็นอกุศลก็ให้ปฏิบัติตามหลักของสมุทัยสัตว์กลุ่มที่เป็นกุศลทั้งหลายมีเนคขมาธาตุคือธาตุออกจากกามธาตุแห่งความไม่พยาบามและธาตุแห่งความไม่เบียดเบียดก็คือหลักของมรรคสัตว์ที่บุคคลจะต้องประพฤติปฏิบัติเพิ่มพูนให้มากยิ่งขึ้น ในส่วนของนิพพานธาตุนั้นก็คือนิโรธสัตสนั่นเองแต่นั้นส่วนของปรากฏการณ์ตามธรรมชาติจะเป็นดินน้ำลมไฟอากาศหรือแม้แต่วิญญาณเหล่านี้เป็นผลผลที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติธรรมดาเมื่อแกยังมีเหตุปัจจัยอยู่การเกิดของธาตุเหล่านี้ก็ต้องมีอยู่ การทรงสั่งสอนให้มองธาตุในแนวนี้จึงมองอยู่สองชั้นชั้นแรกเพื่อให้เกิดความสงบอยู่กับธาตุเหล่านั้นเป็นการบังคับจิตใจของตนไม่ให้สายไปด้วยอำนาจของความคลายความปรารถนาหรือความอาคตาพยาบาทแต่อีกชั้นหนึ่งคือการตรวจสอบวิเคราะห์เจาะลึกลงไปเพราะอะไรพระวธาตุเหล่านี้เอง กลายเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองเป็นที่ตั้งแห่งความรุ่มหลงและเป็นที่ตั้งแห่งความบวมเมาซึ่งในบางครั้งก็ไม่ได้สอนในแนวละเอียดขนาดนั้นเป็นทรงสอนให้บุคคลพิจารณาในแง่ที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนโดยให้พิจารณาดูร่างกายของตนว่าร่างกายนี้ประกอบขึ้นด้วยโครงกระดูก รึงรัดมัดไว้ด้วยเส้นเอ็นฉาบไว้ด้วยเนื้อหุ้มไว้ด้วยหนังทั้งทๆที่โดยสภาวะอันแท้ จ, จริงแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นสาระแก่นสารน่าคลายน่าปรารถนาน่าพอใจแต่จากการประกอบประชุมการของเหตุปัจจัยเหล่านี้เองก็ให้เกิดเป็นตัญหาขึ้นมา ก่ให้เกิดเป็นมานะขึ้นมาแล้วก่อให้เกิดเป็นกิเลสนาน า, นาประการเพราะอาศัยร่างกายอันเปือยเน่านี้การสอนในแนวนี้ก็มองในแนวที่หยาบลงไ ป, ไปเห็นได้ชัดเจนกว่าแต่พอถึงธาตุนั้นก็ย่อยลงไปอีกชั้นหนึ่งที่จริงก็เป็นการพูดถึงเรื่องเดียวกันนั่นเองเมื่อบุคคลพิจารณาเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วมันก็เป็นเพียงธาตุเท่านั้น เราก็จริงแล้วดินพอย่อยออกไปแม้แต่เล็บแม้แต่ผมเส้นหนึ่งพอย่อยออกไปแล้วก็เป็นอนูเป็นปรมาณูซึ่งบุคคลไม่อาจที่จะสัมผัสได้ด้วยตาแม้ในส่วนของน้ําของลมของไฟก็ตกอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการปรุงแต่งของปัจจัยทั้งหลาย ถึงเขาก็มีอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาของเขาการที่เขาไปมีอิทธิพลครอบงำใจบุคคล น, นั้นเพราะใจของคนไปกําหนดเอาเท่านั้นเองถ้าถามาถามาทำไมใจจึงกําหนดก็เพราะว่าใจมีเชื้อของอกุศล<ม>เชื้อของกา ม, มเชื้อของพยาบาท<ม>เชื้อของความเบียดเบียนทุกธาตุเหล่านั้นจึงถูกกําหนดถูกปรุงแตง่ง ด้วยเชื้อของอกคศลกลายเป็นความกำหนัดบ้างความกัดเคืองบ้างความรุ่มหลงบ้างความโมเมเอาบ้างดังกล่าวแตะในที่สุดก็อาศัยเงื่อนไขปัจจัยต่างๆที่มาปรุงแต่งเพิ่มขึ้นจากความความคิดฝันของตัวเองบ้างจากบุคคลอื่นมอบหมายยกย่องให้บ้างจากบุคคลอื่นแต่งตั้งบ้างหรือจากบุคคลอื่นพูดจาสรรเสริญเป็นต้นบ้าง ตัณหามาณนะเป็นต้นก็ติดตามมาจากร่างกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งซากศพเหล่านี้จากร่างกายซึ่งประกอบด้วยธาตุเหล่านี้ถ้าหากว่าเชื้อธาตุฝ่ายอากูศนได้รับบวกมาอย่างรุนแรง ก, ก็บุคคนจะอาศัยกายซึ่งเป็นเพียงสักดิ์เทวธาตุาานี้เองสร้างบาปสร้างอากุศนกันไปด้วยประการต่างๆ ทำตัวเองให้ตกต่ำลงแม้ในปัจจุบันและในการเบียนไหวตาเกิดจู่ภายในกระแสะแห่งสังสารวัฏลักษณะของชีวิตบุคคลจึงหมุนบนไปโดยนายนีจตกนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนให้วิเคราะห์ให้หยุดคิดเพียงศัก์แต่ว่าธาตุแต่นั่นเองจะหยุดการโต้ตอบการด่าตอบการประหารตอบ อย่างที่ทรงแสดงแก่อักโกสภารัตวชพระพรามซึ่งโกรธเคืองพระองค์เพราะเกิดเคืองพัญญาของตนแต่ทำอะไรพัญญาไม่ได้ก็หันมาโกรธพระพุทธเจ้ามาดาว่าพระพุทธเจ้าด้วยประการต่างๆงทรงเชื่เห็นว่าคนโกรธบุคคลอื่นนั้นเป็นความเลวชั้นหนึ่ง แต่ว่าคนที่โกรธตอบบุคคลอื่นนั้นก็เลวกว่าคนที่โกรธก่อนสิทั้นี้เป็นเพราะอะไรเพราะมองกันในมุมที่รวมตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลคนที่โกรธคนอื่นนั้นแสดงว่าสูญเสียการควบคุมจิตใจตัวเองแต่ว่าคนที่ถูกเขาโกรธเมื่อก่อนนั้นก็เป็นผู้มีเหตุมีผลอยู่ก็น่าจะรู้ว่า คนที่กำลังโกรธตนด่าตนประทุษร้ายตนกำลังทำบาปทำอกุศลถูกธาตุายอากุศลครอบคลุมจิตใจจนสูญเสียการควบคุมบงังคับบัญชาตนเองและเรื่องอะไรที่จะกระโจนเข้าไปร่วมไปทำความชั่วความผิดกับบุคคลเหล่านั้นถ้าหากว่าบุคคลไม่หยุดความคิดไว้ ก็ถือว่าเป็นพานมากกว่าคนแรกอีกดังนั้นวัตถุที่ทรงสอนในแนวธาตุมันก็มีลักษณะอย่างนั้นก็ราธาตุโดยสภาพจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่น่ากำหนิดไม่มีอะไรที่น่าขัดเกืองรุ่มหลงมัวเมายินดีแต่ประการใดแต่กลับเป็นเหตุปัจจัยที่สร้างความยุ่งยากในโลกมาทุกยุคทุกสมัยก็เพราะปัญหาเหล่านี้เอง การเข้าใจโดยความเป็นธาตุนั้นใช้เพื่อบรรเทาความรุนแรงแห่งธาตุายอากุศลจช่นทรงสอนให้ทําใจเสมอด้วยดินเสมอด้วยน้าเสมอด้วยลมเสมอด้วยไฟเสมอด้วยดินก็คือไม่ยินดียินร้ายต่อการกระทําของใครก็ตามคือจะทิ้งของสกปรกหรือสะอาดลงไปในดิน ก็ไม่มีทั้งความยินดีและความยินไรคือหมายถึงไม่เจตนาไม่ยอมรับอารมณ์เหล่านั้นปัญหาเหล่านี้อาจจะมองว่าใจเขาไม่มีดินเขาไม่มีจิตใจเขาไม่รับรู้อารมณ์เหล่านั้นแต่คนมีจิตใจสามารถรับรู้อารมณ์สามารถปรุงแต่งอารมณ์คิดปรุงอารมณ์ได้มันก็ผิดแตกต่างกัน แต่ถ้าบุคคลมองให้ซึ้งลงไปก็จะพบความจริงอีกชั้นหนึ่งว่าแท้ที่จริงแล้วเรื่องราวเป็นอันมากทั้งๆ ท, ที่เรามีใจเราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้ม ด, ด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายแต่ว่าใจไม่เอื้อมไปใส่ใจในเรื่องดักนั้นไม่นำมาปรุงคิดไม่นำมาคิดปรุงรูปเ่า n ั้นก็สักแต่รประร เสียงก็สักแต่ว่าเสียงกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นรถก็สักแต่ว่าร ถ, วารถโวดตาพาก็สักแต่ว่าโวดตาพากิจที่บุคคลทําใจได้เช่นนี้มีมากกว่าที่ทําไม่ได้เดทจำไปแต่เนื่องจากไม่ได้สังเกตพินิษพิจารณาดังนั้นจึงมองเห็นเป็นเรื่องยุ่งยากต่อการจะประพฤติปฏิบัติต่อการที่จะควบคุมความคิดในแนวนั้นบางทีก็ส่งสอน ให้ทำใจให้เหมือนน้ำซึ่งในชั้นหนึ่งก็คืออย่าให้มีอภิชาและโทมนัตซึ่งเป็นหลักการปฏิบัติคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่ว่าในขณะเดียวกันอาศัยน้ำนั้นเองบุคคลจะได้บทเรียนเป็นนั้นมากเช่นสามารถปรับตัวเองให้อยู่ได้ทุกสภาพที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งก็ใช้ได้ในชั้นของการดารงชีวิตทั่ ว, วไป แล้วสะท้อนสีสิ่งที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องมีลักษณะเยือกเย็นมีลักษณะชำระล้างมีความบริสุทธิ์ด้วยตัวของตัวเองแม้จะมีสิ่งอื่นไปแปลกปลอมไปปะปนทำให้เกิดความขุ่นมัวขึ้นมาพอโดยอาศัยกรรมบีธีแล้วก็แยกสิ่งเหล่านั้นออกไปได้กลายเป็นสภาพน้ำที่บริสุทธิ์จิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ความยึดความถือความโกรธความระทุษร้ายเป็นต้นนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่เป็นอันมากอาศัยธาตุที่มีอยู่ก่อนแต่ส่วนมากแล้วจะเกิดขึ้นใหม่ๆแลวมักจะเกิดเพิ่มขึ้นเหมือนกับน้ำซึ่งเดิมทีเดียวก็สะอาด แต่ว่าไหลลงมาเจอสิ่งสกปรกปฏิกูลมากเข้าก็เริ่มสะสมเริ่มหมักผมมากเข้ากลายเป็นน้ําที่สกปรกไปแต่แท้จริงแล้วสิ่งสกปรกเหล่านั้นสิ่งสกปรกเหล่านั้นอื่นไปจากน้ําน้ําก็คือน้ําสิ่งนั้นก็คือสิ่งนั้นด้วยหลักการในวิธีการสําหรับกรองน้ําหรือทําน้ําให้สะอาดบุคคลก็สามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมออกไปได้ จิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันหรือสอนให้ทำใจเหมือนลมนอกจากจะป้องกันความยินดีความยินร้ายแล้วจะพบ ว, ว่าลมมีลักษณะเด่นอยู่อีกประการหนึ่งคือไม่ข้องติดอยู่ในที่ใดสามารถพัดผ่านสิ่งที่ดีและไม่ดีไปได้และไม่ข้องไม่ติดอยู่ในสิ่งเล่านั้นถึงจากบทเรียนเหล่านี้ ก็ต้องอาศัยเชื้อของธรรมะฝ่ายที่เป็นเนคขมธาธาตุฝ่ายที่เป็นอัพยาบาทธาตุและฝ่ายที่เป็นนวิงสาธาตุหรืออโมหาธาตุโดยการมองให้เห็นถึงการเกี่ยวข้องการปูกพันธุ์อยู่ในอารมณ์ต่างๆนั้นก็เหมือนกับการเดินทางของบุคคลที่มีลักษณะพรุงปรัง หรือเหมือนเรือที่ลากจูงสิ่งต่างๆไว้เป็นนั้นมากจะเดินไปสู่เป้าหมายได้ช้าจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้ามีความข้องความติดความยึดความอะไรห่วงใยอยู่ในอารมณ์ต่างๆโอกาสที่จะประสบความอิสระความสงบแห่ ง, งจิตใจจะช้าลงหรืออาจจะทำไม่ได้ ใตจากคำสอนในแนวนี้ก็ไม่ได้สอนเฉพาะลมอย่างเดียวบางครั้งก็อาศัยรูปธรรมหยาบๆที่บุคคลอาจพิจารณาเทียบเคียงได้เช่นทรงแสดงให้เห็นถึงหมูมแมลงบางชนิดที่มัวเพลิดเพลิน อ, อ, อยู่กับรสหวานในเกสรดอกไม้โดยแม่คำานึงถึงการเวลาถูกดอกไม้ขูด ก, กรีบปิดตายอยู่ในที่นั้น คือคนที่มัวเพลิดเพลินอยู่ในสถานที่ใดที่หนึ่งโดยไม่ได้มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมุ่งแต่จะเพลิดเพลินชื่นชมอยู่กับสิ่งที่ตนสัมผัสในขณะนั้นๆกลับไปสู่หลุมบ่อของอันตรายจากคนบ้างจากสัตว์บ้างหรือจากพื้นที่สถานที่เหล่านั้นเป็นต้นบ้างนั่นก็คืออะไรคือความเพลิดเพลินกำหนัดอยู่ในอารมณ์เหล่านั้น โดยไม่ได้มองในแง่ของเหตุผลและความเป็นจริงแต่ถ้าหากว่ามองในมุมที่ชัดเจนลงไปก็เห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายนั้นในชั้นของการดํารงชีวิตก็เป็นชั้นหนึ่งแต่ถ้ามากเกินไปก็เป็นทุกข์ถ้าน้อยเกินไปก็เป็นทุกข์ถ้าพอดีพอดีก็เป็นเรื่องของสบายสบยแต่ถ้าในชั้นของความเกี่ยวข้อง เกี่ยวเกาะผูกพันอยู่กับอารมณ์แล้วจะพบ ว, ว่าใครจะมีหน้ามากหรือมีน้อยก็ตามพร้อมที่จะเป็นเครื่องเหนียวรัง้งบุคคลเอาไว้ทั้งหมดเพราะลักษณะการเกี่ยวเกาะของจิตนั้นไม่จำเป็นว่าของนั้นจะต้องมีมากหรือมีน้อยแต่ถ้าจิตจะเกี่ยวเกาะมันก็เกี่ยวเกาะอย่างที่โบราณท่านมรพูดว่ามีทองทอั่งหนุดกุ้งนอนสะดุ้งจนเรือนไห นั่นคือลักษณะเกี่ยวเกาะของจิตแม้ทองเพียงนิดเดียวก็สร้างความมีตกกังวลความเดือดร้อนวุ่นวายให้เกิดขึ้นเป็นอันมากและพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับสั่งเล่าด้วยพระองค์เองว่าแม้แต่พระองค์เองในภพในชาติบางภพ บ, บางชาตินั้นไปเกี่ยวเกาะไปติดอยู่ในสิ่งที่ไม่ควรเกี่ยวเกาะไปติดเช่นสมัยที่เป็นกุลธานบัณฑิตไปติดอยู่กับจอบเพี้ยน กับพันลูกเดือยเข้าฟัาง่งเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองบวชเป็นฤาษีอยู่ไม่ได้ร้อนผ้าเหลืองถึงคราวทำนาต้องศึกออกมาทำนาเก็บเกี่ยวลูกเดอยเข้าฝั่งแล้วก็กลับไปบวชหมุนบวชหมุนศึกอยู่ได้ถึงเจ็ดครั้งเ็คราวสูญเสียเวลาแห่งชีวิตไปไว้เป็นนั้นมากดังนั้นโทษของความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเกาะในอารมณ์ต่างๆ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของอารมณ์มาจะมากหรือน้อยแต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพจิตของบุคคลว่าคุณภาพจิตเป็นอย่างไงทาไมถ้าภายในจิตใจมีเชื้อฝ่ายของอกุศลที่ถูกปรุงแต่งไปมากต่เพิ่มเติมขึ้นในปัจจุบันก็พร้อมที่จะเกี่ยวกาะในสิ่งต่างๆดังนั้นการทรงแสดงบางครั้งก็ไม่เอาละเอียดขนาดนั้น ไปเอาเป็นชิ้นเป็น น, นันเป็นบุคคลกันไปเลยเพื่อให้บุคคลสามารถถ่ายถอนความเกี่ยวเกาะความจิตจิตเช่นทรงชี้แจงเห็นว่าเบนเจอรคันนั้นเป็นภาระที่หนักยิ่งเป็นจะคันก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารบินาณที่ใจของบุคคลไปแบกไว้แนวเดียวกับของเราเท่านั้นก็หนักแล้วหนักสุดแสนที่จะหนักได้เกินนะ ประจากจุดของเรานั้นจะกระจายไปในส่วนอื่นในสิ่งอื่นในบุคคลอื่นโดยความเป็นของเราทรัพย์ของเราลูกของเราหลานของเราพี่น้องของเราญาติของเราตลอดชาติบ้านเมืองของเราอะไรนิดๆนิดๆหน่อยๆก็ของเราของเรายิ่งมากเท่าไหร่ใจก็จะเกี่ยวเกาะจนสับสนวุ่นวายสางไม่ได้ ลักษณะสางไม่ได้ก็ทรงอุปมาเห็นง่ายๆว่าเหมือนกับกระปมของได้กลุ่มของได้ที่มันเกิดสับสนวุ่นวายไปหมดได้บุคคลจะดึงเข้ามาใช้ให้ได้เหมือนเดิมนั้นทําได้ยากยิ่งลักษณะคล่องอยู่ในอารมณ์จนสับสนวุ่นวายก็เป็นเช่นเดียวกันดังนั้นจึงทรงสอนให้บุคคลพยายามปล่อยวางประว่ติอาการเกี่ยวเกาะทางใจ ยอมรับถึงความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นซึ่งก็มีข้อปฏิบัติที่ทรงกำหนดไว้ในชั้นต่างๆไม่ได้หมายความว่าจะต้องนั่งกรรมฐานอย่างเดียวหรือจเจริญวิปัสสมรฏฐานวิปัสรรนปสนากรรมฐานอย่างเดียวแต่ให้บุคคลพร้อมที่จะสร้างปัจจัยใหม่ขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างส่วนที่เป็นาธาตุข่ายกุศลให้บุคคลพร้อมที่จะสละละวาง ความเกี่ยวกาะในอารมณ์เหล่านั้นให้น้อยให้มากที่สุดที่จะน้อยได้จนถึงไม่มีความเกี่ยวกาะในอะไรในข้อนี้ทรงอุปมาไ้ว่าเ ห, เหมือนนกที่บิ น, บนไปในอากาศจิ ก, กินสิ่งต่างๆแล้วก็บินแม้แต่ร่องรอยก็ไม่ทิ้งเอาไว้ก็บินไปอยู่ในอากาศไม่มีความผูกพันด้วยความว่าเป็นของเราในสิ่งทั้งหลาย ก็กลายเป็นชีวิตที่มีอิสระมีเสรีแต่เป็นการมองในมุมหนึ่งในแง่หนึ่งเพื่อ น, นํามาเป็นบทเรียนไม่ได้หมายความว่าให้บุคคลเพี่ยนพยายามที่จะเป็นนกคือนําเยี่องบางเยี่องของของนกนั้นมาเป็นแนวในการศึกษาการพินิจพิจารณาเท่านั้นเองและแม้ในด้านของเวทนาก็เหมือนกันเวทนาไม่ทุกข์ก็ไม่สุขไม่ทุกข์ก็สุขหรือไม่สุขก็ กลางเๆเฉยๆซึ่งเวทนามันต้องเกิดเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราไปยึดติดกับเวทนาเหล่านั้นมากเกินไปมันก็กลายเป็นความหนักนี่คือมองในมุมที่มันกว้างๆสัมผัสกันได้ชัดๆแทนที่จะย่อยลงไปเป็นธาตโดยเนยยะนั้นนี่คือล้วนแล้วแต่เป็นปริยายเทศนาโวหารเทศนาที่หนุนเนื่องสนับสนุนกันไปทุกจุดของการประพฤติปฏิบัติที่ทรงแสดงเอาไว้ บางครั้งสามารถศึกษาในชั้นที่ละเมีิดละไมลงไปก็ว่าในชั้นละเมีิดละไมแต่บางคนไม่พร้อมที่จะคิดเช่นนั้นจะพิจารณาเช่นนั้นก็เอากันเป็นชิ้นเป็นอนหยาบหยให้ดูกันแต่พึงสังเกตว่าเป็นการปรับพื้นฐานเป็นการปูทางเข้าหาจุดบรรจบแห่งความรู้ยิ่งเห็นจริงในสังขารธรรมทั้งหลายเพื่ออะไร เพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายในความยึดติดด้วยอำนาจว่าของเรากลายกำหนัดด้วยความเป็นในลักษณะต่างๆถึงจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นของเราหรือเป็นเราก็ตามเป็นฉากเล็กๆของสังสารวัฏเท่านั้นแต่ถ้ามองในแง่ของโลกก็เป็นฉากคล้ายๆจะยาวหน่อยแต่ฉากเหล่านั้นการแสดงในแนวนั้น คนก็เคยเป็นเคยแสดงกันมาในพบชาติต่างๆเป็นนั้นมากเป็นเพียงมายาการเป็นการกำหนดการขึ้นแสดงกันขึ้นชั่วระยะหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อบุคคลสามารถคลายกำหนัดได้บรรเทาความยึดติดในสิ่งเหล่านั้นด้วยความผูกวันว่าของเราเป็นเราได้ ซึ่งถ้ามองในแง่ของการปฏิบัติแล้วที่จริงก็เป็นการบรรเทาเชื้อของอกุศลฝ่ายของกามาธาตุกับควายกามาธาตุเป็นหลักคือสายของโลภะแต่ถ้าจะเข้าถึงจุดนี้ได้มันไปบรรเทาในจุดอื่นเช่นสมมติว่าความยึดติดว่าของเราหรือความยึดติดว่าเป็นเราน้อยลงสายโทสะกับสายโมหะเกิดบรรเทาตามไปด้วยซึ่งนั่นก็หมายความว่าเป็นการเพิ่มพูน าธาต่ายที่เป็นกุศลให้สูงขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นนั้ น, น, นสูตรของการประพฤติปฏิบัติแล้วบุคคลเพิ่มกุศลส่วนใดส่วนหนึ่งขึ้นกุศลส่วนอื่นก็จะเพิ่มขึ้นตามและเมื่อเพิ่มขึ้นไปแล้วไม่ใช่ก็บเพิ่มแต่แก้ไาเดียวแต่กยายจะทำหน้าที่กระจัดบาบัดบรรเทาไฟที่ตรงกันข้ามให้เจือจางบางลงไป ใจของบุคคลก็จะได้อิสระสูงขึ้นได้ความสงบได้ความเยือกเย็นสูงขึ้นการศึกษาการปฏิบัติธรรมะทุกขั้นตอนที่ทรงแสดงไว้นั้นถึงเข้าใจว่าเป็นปริยายเทศนาที่จะจับทรงไหนเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเดินไปตามเส้นทางที่ทรงแสดงไว้แล้วก็จะมีจุดบรรจบคือรู้แจ้งเห็นจริงในอรยิยสัจทั้งสีประการตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติตแห่งตน ตอจานี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป